ในระดับสูงสุดใช้ในความหมายต่างกันแยกได้เป็นสามอย่างคืออย่างแรกการหลุดพ้นอิริยาที่หลุดพ้นออกมาได้หรืออาการที่เป็นไปในขณะหลุดพ้นเป็นอิสระมีมุตในความหมายอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นมักอย่างที่สอง ความเป็นผู้หลุดพ้นคือความเป็นอิสระในเมื่อหลุดพ้นออกมาได้แล้ววิมุตในความหมายอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นผลอย่างที่สามภาวะแห่งความเป็นผู้หลุดพ้นภาวะแห่งความเป็นอิสระที่ผู้หลุดพ้นหรือผู้เป็นอิสระนั้นเข้าถึงและรู้สึกได้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 อธิกาบางแห่งอธิบายว่านิพพานชื่อว่าเป็นวิมุตตเพราะหลุดพ้นจากสังฆตาธรรมทั้งปวงมิใช่เพียงหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงอย่างไรก็ตามในความหมายสามอย่างนั้นข้อที่ถือว่าเป็นความหมายจำพาะกว่าอย่างอื่นหรือเป็นเรื่องของวิมุตต์เองแท้ๆก็คือวิมุตตในความหมายที่เป็นผล และคำว่าผลในที่นี้ตามปกติหมายถึงอรหัตผลคือความสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมื่อละสังโยชน์ได้หมดสิน้นจิตพ้นจากอาสวะทั้งหลายแล้วส่วนในความหมายที่เป็นมัช ก, ก็มีธรรมะข้ออื่นเป็นเจ้าของเรื่องอยู่แล้วโดยเฉพาะวิชาและวิราคะซึ่งมักมาคู่กันกับวิมุต t นี้ โดยวิชาเป็นมัคหรือไม่ก็วิราคาเป็นมัควิมุตติหรือวิมุติเป็นผลส่วนในความหมายที่เป็นนิพพานวิมุติก็เป็นเพียงไวยพจน์ซึ่งมีนิพพานเป็นคำยืนอยู่แล้วผู้ศึกษาที่ไม่คุ้นกับภาษาบาลีไม่พึงสับสนระหว่างเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติหรือวิมุตติซึ่งเป็นภาวะและอาการกับอุปโตภาคาวิมุตติและปัญญาวิมุตติซึ่งเป็นบุคคลในที่นี้สามคำแรกวิมุตติมีต่อตาสระอีส่วนสองคำหลังอุปโตภาคาวิมุตติและปัญญาวิมุตติท่านพิมพ์โดยไม่มีต่อตาสระอีและวงเล็บว่า เขียนโดยมีต่อเต่าครันทั้งสองคำก็ได้ซึ่งปกติแล้วคำว่าวิมุตติอ่านแบบไทยว่าวิมุตได้แต่เมื่อท่านหมายเหตุแยกคาโดยมีความหมายแตกต่างกันแบบนี้ดังนั้นต่อไปนี้ถ้ามีคำว่าวิมุตติจะขออ่านว่าวิมุตติเพื่อจะได้แยกชัดกับอุปัโตภาคาวิมุตและปัญญาวิมุตซึ่งเป็นบุคคลนะครับ วิมุติที่เป็นผลโดยเฉพาะอารหัตผลนั้นท่านมักแยกให้เห็นชัดเป็นสองด้านคือเป็นเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติเจโตวิมุติคือความหลุดพ้นทางด้านจิตลายกันว่าความหลุดพ้นแห่งจิตหรือความหลุดพ้นด้วยกำลังจิตคือด้วยสมาธิ หมายถึงภาวะที่ประกอบด้วยสมาธิซึ่งกำราบราคะลงได้ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสเรื่องผูกมัดทั้งหลายราคะในที่นี้และในบาลีทั่วไปไม่มีความหมายแคบอย่างที่เข้าใจกันในภาษาไทยคือไม่ใช่เรื่องการเท่านั้นแต่หมายถึงความติดใจความไก้ในอารมณ์ต่างๆทั้งรูปธรรมและนามธรรม เป็นไวโพ์ของตัญหาและกินความถึงโทสะด้วยเพราะโทสะก็คือแรงผลักที่เป็นปฏิกิริยาของราคะนั่นเองปัญญาวิมุตติคือความหลุดพ้นด้านปัญญาแปลกันว่าความหลุดพ้นด้านปัญญาแต่ควรแปลว่าความหลุดพ้นแห่งปัญญาด้วย เราหมายถึงปัญญาบริสุทธิ์หรือความรู้ถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีกิเลสบดบังหรือบิดเบือนซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้บรรลุอารหัตผลในเมื่อปัญญานั้นกำจัดอวิชชาได้แล้วทำให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากกิเลสเรื่องผูกมัดทั้งปวงดังบาลีว่าเพราะสำรอกราคะได้จึงมีเจโตวิมุตติเพราะสารอ c อวิชชาได จึงมีปัญญาวิมุตติอัตธกถาอธิบายว่าเจโตวิมุตติได้แก่ผลสมาธิหรืออรหัตผลสมาธิหรืออรหัตผลจิตคือสมาธิหรือจิตอันตั้งมั่นที่เป็นผลแห่งการสาเร็จเป็นพระอรหันต์และ ว, ว่าปัญญาวิมุตติได้แก่ผลละยาน หรือผลละปัญญาหรืออรหัตผลละญาณหรืออรหัตผลและปัญญาคือญาณหรือปัญญาที่เป็นผลแห่งการสาเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้บรรลุอรหัตผลจะต้องได้เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตตินี้ครบทั้งสองอย่างทุกบุคคลทำทั้งสองนี้จึงมาคู่กันเสมอ ในข้อความที่กล่าวถึงการบร ร, าราลุอรหัตผลดังบาลีว่าเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจึงทำให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ไม่มีอาสวะในปัจจุบันนี้ทีเดียวเจโตวิมุตติเป็นผลของสมถะ ปัญญาวิมุตติเป็นผลของวิปัสนาพระอัฏฐกถาาจารย์กล่าวว่าคำคู่นี้แสดงให้เห็นว่าสมถะและวิปัสนาจะต้องมาควบคู่กันแม้ในขั้นผลเช่นเดียวกับในขั้นมรรคแม้ว่าสมถะที่ต้องการในที่นี้อาจจะเป็นเพียงสมถะในความหมายอย่างกว้าง คือสมาธิเท่าที่จําเป็นเท่านั้นไม่จําต้องเป็นสมะถะที่ฝึกกันเป็นงานเป็นการจนได้อภิญญาสมาบัติข้อนี้สมด้วยบาลีว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะสองอย่างนี้เป็นวิชาภากิยธรรมคือธรรมะเป็นไปนในส่วนแห่งวิชาหรือธรรมะข้างฝ่ายวิชาหรือธรรมะที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดวิชา ได้แก่สมถะและวิปัสนาในที่นี้อธถกาอธิบายว่าสมถะได้แก่จิตเตกะคะตาคือภาวะที่จิตมีอารมณ์อันเดียวคือสมาธินั่นเองส่วนวิปัสนาได้แก่ยานที่กำหนดคือพิจารณาสังขาร ภิกษุทั้งหลายธรรมสองอย่างนี้เป็นวิชาพาขิยาธรรมได้แก่สมถะและวิปัสนาสมถะเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรตอบว่าจิตจะได้รับการเจริญจิตเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรตอบว่าละราคาได้ วิปัสนาเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรตอบว่าปัญญาจะได้รับการเจริญปัญญาเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรตอบว่าละอวิชชาได้ภิกษุทั้งหลายจิตที่เศร้ามองดิราคะย่อมไม่หลุดพ้นหรือปัญญาก็ดี ที่เศร้ามองด้วยอวิชชาย่อมเจริญไม่ได้ด้วยประการดังนี้เพราะสำรอกราคะได้จึงมีเจโตวิมุตติเพราะสำรอกอวิชชาได้จึงมีปัญญาวิมุตติในบาลีท่านยกเอาการได้เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ เป็นหลักอย่างหนึ่งสำหรับแสดงความหมายของการเป็นพระอระหันต์เป็นเครื่องแสดงว่าพระอระหันตุทุกท่านย่อมได้ทั้งเจตวิมุติและปัญญาวิมุติเจโตวิมุติปัญญาวิมุติคู่กันของพระอระหรนันต์นี้จะมีคำว่าอนาสวะหรือไม่มีอาสวะนาหน้าเสมอ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 หลักฐานนี้มีในอังคุตระนิกายจตุการนิบาทซึ่งกล่าวถึงพระอระหันต์ผู้ได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติสิ้นอาสวะแต่มิใช่วิโมก -8 คือฌานสมาบัติและนิโร ส, สมาบัติมีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติมาด้วยการครบสองอย่างจึงเป็นวิมุตติที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปยอมเห็นละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะบำเพ็ญแต่สมถะอย่างเดียวก็ได้และสมถะที่บำเพ็ญเช่นนั้นยอมสามารถให้เกิดสมาธิขั้นสูงถึงฌานสมาบัติซึ่งในภาวะเช่นนั้นกิเลสทั้งหลายยอมสงบระงับไปเป็นการหลุดพ้นได้อย่างหนึ่ง หลุดพ้นได้เพียงชั่วคราวผู้บำเพ็ญสมถะจึงต้องก้าวต่อไปสู่วิปัสสนาคือเจริญปัญญาด้วยจึงจะหลุดพ้นได้แท้จริงความข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าเจโตวิมุตติอาจมีได้ในกรณีอื่นแม้ที่ไม่ใช่เป็นการบรรลุมรรคผลแต่เจโตวิมุตติในกรณีเช่นนั้น ยอมจะมีใ่เจโตวิมุติที่เด็ดขาดแน่นอนดังนั้นตัวตัดสินที่แท้จริงจึงได้แก่ปัญญาวิมุติซึ่งทำลายอาวิชชาลงไปโดยลำดับกำจัดกิเลสเด็ดขาดไปเป็นขั้นๆปัญญาวิมุติมาเมื่อใดก็หมายถึงวิมุติที่เด็ดขาดแท้จริงเมื่อนั้นยิ่งมีคำว่าอนาสวะประกอบด้วย ก็หมายถึงวิมุตติขั้นสูงสุดที่สมบูรณ์สิ้นเชิงแต่การที่ปัญญาวิมุตติมาควบคู่กับเจโตวิมุตติก็เพราะต้องอาศัยเจโตวิมุตติเป็นเครื่องเตรียมจิตให้พร้อมเท่านั้นเองเท่าที่พูดมาตอนนี้ ต้องการเน้นความสองประการคือ 1. ปัญญาวิมุตติใช้ในกรณีเดียวคือหมายถึงความหลุดพ้นที่เด็ดขาดแน่นอนจะมาคู่กับเจโตวิมุตติอย่างนี้เสมอส่วนเจโตวิมุตติอาจใช้ในกรณีอื่นด้วยดังนั้นถ้าหมายถึงความหลุดพ้นเด็ดขาด ขั้นมรรคผลตั้งแต่โสดาปฏิพั์ขึ้นไปจะต้องมาด้วยกันกับปัญญาวิมุตติอย่างข้างต้นนี้หรือมิฉะนั้นก็ต้องมีคำวิเศษกำกับไ้ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับระบุให้ชัดว่าเป็นขั้นสุดท้ายเด็ดขาดเช่นอากุปปาคือไม่กำเริบอสมัมยะ มีใจ ช, ชั่วครั้งชั่วกล่าวเป็นต้นดังจะได้กล่าวต่อไปแต่ถ้ามาคำเดียวตามลำพังหรือมีคำอย่างอื่นกำกับย่อมมีใช่เจโตวิมุตติขั้นสุดท้ายที่เด็ดขาดสมบูรณ์ 2. เมื่อกล่าวถึงบุคคลผู้บรรลุอรหัตผล โดยแบ่งเป็นปัญญาวิมุตติกับอุปโตภาคาวิมุตตนั้นพึงเข้าใจว่าปัญญาวิมุตต์ในที่นี้ไม่มีต่อตาสระอินะครับปัญญาวิมุตต์ซึ่งดูเสมือนจะให้แปลว่าผู้ได้ปัญญาวิมุตติอย่างเดียวนั้นอันที่จริงยอมได้เจโตวิมุตติด้วยเพราะการได้ปัญญาวิมุตติ ส่อความคุมถึงอยู่แล้วว่าต้องได้เจโตวิมุตติด้วยเป็นตามายถึงเจโตวิมุตติแบบที่อาศัยสมาธิเพียงเท่าที่จำเป็นซึ่งจะต้องมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วก่อนที่จะได้ปัญญาวิมุตติจึงไม่ต้องระบุให้เด่นชัดออกมาเหมือนกับพูดว่าผู้เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวแต่ความจริงก็คือต้องอาศัยสมถะ เพื่อใช้สมาธิเท่าที่จำเป็นด้วยนั่นเองส่วนอุพโตภาคาวิมุตติที่แปลว่าผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนก็เสมือนย้ำให้แปลว่าผู้ได้ทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเหตุที่ย้ำก็คือว่าในกรณีนี้เน้นคำว่าเจโตวิมุตติ ให้เด่นชัดออกมาเพราะเจโตวิมุติที่เน้นในกรณีนี้ไม่หมายถึงเพียงเจโตวิมุติอย่างที่จำเป็นต้องมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วในขณะที่จะได้ปัญญาวิมุติแต่หมายถึงเจโตวิมุติในความหมายที่เป็นพิเศษออกไปคือวิโมกหรือฌานสมาบัตดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ย้อนกลับไปหาต้นสำป์คือคําว่าวิมุตติอีกวิมุตติที่ใช้ตามความหมายอย่างกว้างหรืออย่างหลุมหลวมมีมากในยะหลายระดับสําหรับระดับที่ยังไม่ใช่ขั้นสูงสุดส่วนมากท่านใช้คําว่าเจโตวิมุตติแทนเพราะเจโตวิมุตติวงอยู่ในตัวแล้วว่ายังไม่ใช่วิมุตติขั้นสมบูรณ์เด็ดขาด และตามปกติวิมุตติในระดับตามลงมาก็มักเป็นเรื่องของการหลุดพ้นด้วยกำลังจิตหรือกำลังสมาธิทั้งนั้นนอกจากคำว่าเจโตวิมุตติแล้วคำพีชั้นรองลงมาบางคำพีนิยมใช้คำว่าว ok ิโมกแทนในที่นี้จึงวัดใช้คำว่าว ok ิโมกโดยถือตามคำพีชั้นต้น ซึ่งนิยมใช้วิโมกเฉพาะในความหมายที่อธิบายมาแล้วข้างตน้นผู้สนใจเกี่ยวกับวิโมกพึงค้นดูเองตามที่มาซึ่งได้ให้ไว้แล้วความหลุดพ้นที่ใช้ในความหมายกว้างแล้วยากาประเภทเป็นต่างๆโดยใช้คำวิเศษกํากับนี้คำพีปฏิสัมพิธามักใช้คำว่าวิโมกทั้งหมด ส่วนวิมุตติท่านแยกแยะว่าอีกตอนหนึ่งต่างหากมีความหมายกว้างขวางมากตั้งแต่ศีลวิสุธทธิถึงนิพพานแม้แต่เวทนาก็เป็นวิมุตติได้แต่ทั้งหมดสรุปลงในวิมุตติสองความหมายคือนิพพานและธรรมะทั้งปวงที่เกิดโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์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 ทั้งสำหรับความหมายในขั้นสูงสุดและความหมายในขั้นต่ำลงมา